ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง MP 3แผ่นที่87โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานี MP 3แผ่นที่87ให้คติธรรมหัวข้อว่าเศรษะมุปะคมะมันจะ อุเทติคิปปังเมื่อคบคนดีตนเองก็ดีขึ้นทันทีอันนี้ท่านพูดเกี่ยวกับการครบค้าสมาคมถ้าว่าพวกเราครบคนชั่วเราก็จะชั่วไปตามเขาถ้าเราครบคนดีเราก็จะเป็นคนดีกับเขาเพราะว่าการครบค้าสมาคม ต้องะมัดระวังเหมือนกันในทำคาสอนของพระพุทธเจ้ามีมากต่อมากที่ภิกษุในครั้งพุทธกาลพระภิษุด้วยกันก็ไปครบพระที่นิสัยไม่ดีเป็นพาลชนเป็นอันภานก็ทำให้เสียหายเสียหายในเดียวนั่นด้วยแล้วก็เสียหายในอนาคตมรรคผลนิพพานของตนเองด้วย แล้วก็เรื่องศรัทธาญาติโยงก็เหมือนกันการครบค้าสมาคมการไปมาหาสู่กันนี่อันต ร, รายมากแต่ว่าเราไม่สังเกตเราไม่ได้ใส่ใจเห็นว่าเป็นหมู่พวกเพื่อนเห็นว่าเขาร่ารวยเราก็เข้าไปคบค้าสมาคมแต่ที่ไหนได้เขามีอะไรยาเสพติดมีอะไรที่เขาทำมาค้าขายทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีอะไรพลให้สูกกรเลยพลอย เข้าคุกเข้าตารางกับเขาไปด้วยเพลเพเพราะการครบค้าสมาคมสิ่งเหล่านี้ก็ขอฝากไว้กับพวกเราท่านทั้งหลายในยุคปัจจุบันหรือยุคต่อๆไปด้วยการครบค้าสมาคมเป็นสิ่งที่จาเป็นสำคัญอย่างมากเมื่อคบคนดีตนเองก็ดีขึ้นทันทีถ้าเราครบคนชั่วก็เช่นเดียวกันเราจะเ ล, เลวลงทันทีอีกเหมือนกัน เพราะนั้นขอให้พวกเราครบแต่ท่านผู้มีศีลมีธรรมครบแต่ท่านผู้มีกฎระเบียบเราต้องสังเกตถ้าเราอยากจะเป็นคนดีถ้าเราไม่ได้ใส่ใจก็อาจจะคบกับคนเสียหายไปได้เหมือนกันนะตัวนี้ก็ให้สังเกตใช้หลักธรรมคำสอนพุทธภาษิตอัตมาภาพหลวงพ่อได้ยกขึ้น ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอันนี้ไม่ใช่คําพูดหลวงพอ่อเนีเป็นคําพูดของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้เรามีแต่ว่าเอามาศึกษาเอามาขยายผลให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังด้วยอํานาจคุณพระศีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มาคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศิลธรรมขอคขอใอยสมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเทิน